หัวข้อความวุ่นวายหลังพุทธปรินิพานคล้ายเจอคนนำทางที่น่าเลื่อมใสแต่มีอันพลัดพรากจากไปสู่แดนไกลยังไม่มีวันกลับมาเจออีกฉันจึงตกอยู่ในสภาพเคว้งคว้างสแสวงหาคนนำทางใหม่เครื่องมือนำทางใกล้ตัวที่สุดหาง่ายที่สุดก็คือหนังสือเพราะเพียงเดินเข้าร้านหนังสือ หรือใช้คอมพิวเตอร์ต่อโทรศัพท์เข้าอินเทอร์เน็ตก็มีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมกลาดเกลื่อนไปหมดข้อมูลเหล่านั้นส่วนใหญ่ถูกกลั่นกรองแล้วชั้นหนึ่งจากสำนักพิมพ์เพราะฉะนั้นอย่างน้อยจึงพอน่าเชื่อถือว่าคงไม่ใช่ข้อมูลที่ปราศจากข้อมูลของคนนึกอยากพูดอะไรก็พูดฉันลองนั่งสมาธิและเดินจงกรมตามรูปแบบต่าง ค้นหาว่าวิธีใดเหมาะกับตนเองระยะหนึ่งจึงพบว่าคำตอบที่มือใหม่ต้องการอย่างที่สุดนั้นมีหลายประการเช่นจะเริ่มต้นปฏิบัติอย่างไรให้เหมาะกับตนเองหรือถูกต้องตรงหลักวิชาบรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าอยากรู้ว่าปฏิบัติไปแล้วถูกหรือผิดมีเกณฑ์การวัดใดที่ชัดเจนพอการปฏิบัติถ้าหากถูก ควรจะต่ออย่างไรถ้าหากผิดควรจะแก้อย่างไรคำตอบเหล่านี้คือจุดที่ทุกคนต้องการจากครูเหนือสิ่งอื่นใดสรุปว่าทุกคนต้องมีครูแต่ครูคนไหนละ่ะที่เชื่อได้ว่ารู้จริงครูคนไหนละ่ะที่เข้าใจสิทธิ์ทุกประเภทครูคนไหนละ่ะขัดเกลาวสิท์แต่ละประเภทได้ด้วยอุบายที่เหมาะสม และถ้าสมมุติว่ามีครูที่รวมเอาคุณสมบัติข้างต้นครบพร้อมทุกประการไว้ในคนเดียวท่านจะเก็บตัวเงียบหรือว่ามีชื่อเสียงดังกระชอนหากเก็บตัวเงียบฉันก็ไม่รู้จะไปงมเข็มในมหาสมุทรเจอได้อย่างไรเมืองไทยคนตั้งเกือบร้อยล้านรอมรอครั้นถ้าหากเรื่องชื่อระบือนามเล่าโอกาสที่ฉันจะได้เข้าถึงตัวท่านอาจยากพอๆกับขอนัดนายก เพราะฉันเพิ่งทราบว่ามีคนอยากหลุดพ้นอยากปฏิบัติธรรมถูกต้องตรงทางและสแสวงหาครูผู้น่าเชื่อถือเหมือนฉันบานตะไทยปัจจุบันมีการอบรมระยะสั้นและระยะยาวมากมายหลายแห่งแต่ต้องสอดตาดูเงี่ยหูฟังมากๆหน่อยจึงจะได้ข้อมูลครบถ้วนทั้งสถานที่และเวลาฉันตระเวรไปเข้าคอร์สอบรมตามสถานฝึกปฏิบัติ ด, ดังๆ หลายต่อหลายแห่งยอมรับทุกแนวเคารพทุกความเชื่อนอบน้อมต่อทุกอาจารย์ตราบใดที่ท่านกล่าวว่าหลักสูตรของตนเป็นสติปัฏฐานสี่ก็น่าจะพาฉันไปสู่ความหลุดพ้นได้แต่หลังจากพยายามยอมรับทุกแนวทุกความเชื่อและทุกอาจารย์มากเข้าในที่สุดฉันก็เริ่มงงว่าจะเอาอย่างไรดี บางคนบอกว่าต้องศึกษาทฤษฎีทั่วถึงก่อนเพื่อประกันความหลงผิดคิดพลาดเมื่อลงมือปฏิบัติบางคนบอกว่าปฏิบัติเลยไม่ต้องศึกษามากเพราะรุงรังน่ารำคาญและชวนให้หลงฟุ้งตามอักษรเกินจาเป็นในทางทฤษฎีบางคนชอบพระสูตรแต่บางคนชอบพระอภิธรรมบางคนปักหลักอยู่กับคำภีชั้นแรก แต่บางคนก็อ้างอิงแต่คำภีชั้นหลังบางคนชอบการผสมผสาน ร, ระหว่างความรู้เก่ากับความรู้ใหม่แต่บางคนตั้งแง่ปิดกั้นสิ้นเชิงกับการปรับเปรียบเทียบเคียงระหว่างพุทธกับวิทยาการในโลกยุคปัจจุบันในทางปฏิบัติบางคนบอกว่าให้กำหนดสติรู้ตัวในชีวิตประจำวันได้เลยบางคนบอกว่า ให้เข้ากรรมฐ า, านตามรูปแบบเสียก่อนบางคนชอบหลับตารู้ลมหายใจบางคนชอบลืมตาตั้งสติรู้ความเคลื่อนไหวบางคนบังคับว่าต้องเดินจงกรมช้าเคร่งครัดบางคนบอกว่าให้เดินเร็วตามสบายเหมือนพักผ่อนไม่น่าเชื่อว่าเพียงความเห็นผิดแปลกในการตีความตามอักษร กับความต่างทางรูปแบบปฏิบัติก็กลายเป็นประเด็นโจมตีกันได้ดุเดือดบางทีถึงขั้นคิดทำบุญเพื่อพระาศาสนายอมทำบาปชกใต้เข็มขัดฝ่ายตรงข้ามเสียหน่อยเล่นสกรปรกศาสตร์โคลนกันดื้อๆก็มีเท่าที่ฟังข้อถกเถียงขัดแย้งทั้งทางอินเทอร์เน็ตและเทปอาจารย์ดังและทางตาหูของฉันเองเมื่อเจอหน้าสหายธรรมชาวพุทธ ใครๆก็กลัวคนอื่นทำความเสียหายให้พระศาสนาแต่ตัวเองทำบ้างหรือเปล่าไม่เคยกล้าสำรวจจริงจังอาจเราะลึกๆ ก, ก็รู้ว่าตนก็เคยเป็นต้นเหตุแห่งความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือมีส่วนร่วมสร้างความร้าวฉานขึ้นในหมู่ชาวพุทธมาเหมือนกันแทบทุกคนมักสำคัญว่าตนเองดีพอจะติคนอื่นซึ่งทามองในมุมกลับ ก็คือคนเราจะคาดหวังให้ภาระหน้าที่ทำดีจงเป็นของผู้อื่นตัวเองไม่ต้องทำและอย่าได้มีใครมาคาดหวังในตัวเราให้มากเนื่องจากเราเป็นเพียงมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นส่วนคนอื่นๆควรประพฤติตนในแบบที่เป็นอุดมคติจะพูดหรือทำอะไรอย่าให้ใครตำหนิได้ ฉันเชื่อว่าชาวพุทธที่รักศาสนาไม่มีใครตั้งใจทำลายศาสนาทำนองเดียวกับที่ไม่มีบ้านใดทุบหม้อข้าวตัวเองทิ้งแต่ความที่มัวเพลินเพ่งโทษคนอื่นอยู่เลยเผลอลืมตรวจ ด, ดูว่าโทษของเราเพิ่มภูนภัยบุ์ผลไปถึงไหนแล้วอย่างเช่นบางคนรู้จักพุทธพจน์มากแทบเรียกว่าครอบคลุมทั่วถึงทุกประเด็น พูดเรื่องไหนเป็นหยิดจับพุทธพจน์มาอ้างอิงได้หมดแบบนี้มีคนใหญ่เป็นอนันต์แต่ในทางตรงข้ามอาจก่อโทษได้มาหันเช่นกันเช่นยกพุทธพจน์มาเพื่อข่มขี่หรือสนับสนุนจิตคิดกลด่าฝ่ายตรงข้ามของตนผู้ฟังรับพุทธพจน์พร้อมกับกระแสโทสะของผู้อ้างอิง ย่อมเกิดจิตคิดมัวหมองต่อพุทธพจน์ไปด้วยเรียกว่าผู้อ้างพุทธพจน์ผิดกาลเทศะหยิบจับพุทธพจน์มาใช้เสริมเติมสนับสนุนวจีทุจริตของตนเองบ่อยๆนั้นนอกจากไม่ได้บุญแล้วยังชื่อว่าก่อบาปมหันด้วยการทำพุทธพจน์เสื่อมลงอีกด้วยและเมื่อส่วนใหญ่ต่างถนัดที่จะโยนโทษให้แก่กันและกัน มือใหม่ฝันหลุดพ้นอย่างฉันที่เพิ่งก้าวเข้าบ้านก็มักยืนเดอดูคนในบ้านตีกันอย่างมึนงงจับต้นชนปลายไม่ติดไม่ทราบว่าอะไรกันแน่คือหลักการอะไรกันแน่คือหลักกูจึงยากจะรู้ชัดว่าฝ่ายได้ผิดฝ่ายได้ถูกแต่ใครถูกใครผิดก็ตามวิธีทิมต่าหรือรบพุ่งกันด้วยขวานในปาก ของผู้ทรงภูมิทั้งหลายย่อมทำให้บรรดากองทัพทำหน้าใหม่รับผลร้ายไปเต็มๆ เ, เพราะฉันไม่ได้จดจำว่าการฟาดฟันกันให้ล้มหายตายจากกันไปข้างในแต่ละครั้งนั้นใครเป็นผู้แพ้ใครเป็นผู้ชนะฉันตรหนักแต่ว่าที่แพ้อย่างแท้จริงคือพุทธศาสนาโดยรวมค่าที่หาใครเป็นตัวแทน หรือหลักฐานทางปัญญาประกอบเมตตาประจำศาสนายากมากแล้วเมื่อลงมือทดลองปฏิบัติหลายๆแนวฉันจึงพอเข้าใจอะไรมากขึ้นการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงจะลาดลึกพิสดารปานใดก็ตามอย่างไรก็ต้องมีจุดเริ่มต้นและจุดเริ่มต้นต้องง่ายจดจำไปทำได้ทันที ระลึกขึ้นเมื่อไรต้องใช้ได้เดี๋ยวนั้นและผู้ปฏิบัติธรรมที่ฉลาดก็มักมีอุบายเฉพาะตัวเพื่อดึงสติได้ง่ายๆหากไม่เลือกอุบายวิธีที่แน่นอนสักอย่างหนึ่งไว้ใช้ตั้งหลักก็มักออกจากจุดเริ่มต้นไม่ไหวจับชายไปเรื่อยไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักทีปัญหาเริ่มขึ้น เมื่ออุบายวิธีเฉพาะตัวของใครถูกนำไปใช้แพร่หลายชี้แจงอธิบายรายละเอียดให้ครบถ้วนกระทั่งลงรอยครอบคลุมสติปัฏฐานสี่ยากดังนั้นจึงมีบ่อยที่อุบายง่ายๆเพียงหนึ่งเดียวกลายเป็นทั้งหมดของการปฏิบัติไปถ้าถามว่าสายนั้นสายนี้สอนอะไรก็มักบอกต่อหรือจดจำกันว่า ให้ทำแบบนั้นอย่างเดียวให้ทำแบบนี้จนกว่าจะเห็นผลยกระดับไปเรื่อยๆเองคล้ายกับว่าจงท่องกอไก่ให้เป็นคำเดียวแล้วแนที่สุดจะรู้เองว่าอักษรไทยไล่ตามลำดับไปถึงฮอนกฮู ก, กมีอะไรบ้างเมื่อมีผู้คนล้อมวงเข้ามาเชื่อกันมากเข้าก็กลายเป็นกลุ่มศรัทธา เป็นกลุ่มบูชาความเชื่อประจำแนวนั้นๆไปแล้วค่อยๆอ ย, อย่างรากทางความเชื่อลึกลงผ่านสานุศิษย์รุ่นต่อรุ่นพอเจอกลุ่มศรัทธาอื่นที่มีอุบายวิธีแตกต่างก็ง่ายที่จะมองเห็นข้อด้อยจุดอ่อนหรือกระทั่งมุมมองที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากหลักฐานในคำพีมากมายส่วนแนวความเชื่อของตนแม้เป็นของใหม่ไม่เคยมีมาก่อน ก็อุตสาเฟ้นหาบรรทัดเล็กบรรทัดน้อยในคำพีมาสนับสนุนยืนยันจนได้หน้าหดหูใจตั้งแต่พระศ า, าสดาสเสด็จ ด, ดับคันทัปรินิพานก็คงไม่มีสาวกคนใดพูดถูกหมดได้อย่างพระองค์ท่านศา ส, สนาเสียหายมาเรื่อยๆกับการพูดผิดหรือจำพลาดของผู้สืบทอดทั้งหลายฉันคิดว่าคงไม่มีใครคนใดคนหนึ่ง ทำความเสียหายให้พระศาสนาได้มากกว่าที่เป็นอยู่แต่การทะเลาะเบาแว้งห้ามหันกันเองนั่นแหละเป็นวิบัติอย่างแท้จริงและอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แรงดึงดูดโลกคงไม่ยินยอมให้เราหนีขึ้นฟ้าง่ายายฉันใดแรงดึงดูดของวัฏสงสารก็คงไม่ยินยอมให้เราหนีไปนิพพานง่ายดายฉันนั้นสังเกตเถอะ ขณะกำลังท้อแท้กับผ้าฟัดกันนัวเนียเป็นหย่อมย่อมของบรรดาชาวพุทธผู้เจริญโชคชะตาก็มักพาไปเจอถ้อยคำตอกย้ำให้มืออ่อนเทา้าอ่อนยิ่งขึ้นไปอีกเช่นพวกเราวาสนาน้อยเกิดเม่ทันพระพุทธเจ้าอยู่ในยุค ข, ของผู้มีปัญญาซามาเกิดหมดสิทธิ์แล้วละ่ะต้องทำบุญมากๆนะและอธิษฐานไปเกิดในยุค ข, ของพระศรีอาน ซึ่งจะได้มาตรัสสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หน้านนทนหากสะสมบุญไว้มากแล้วเมื่อฟังธรรมต่อเบื้องพระพักก็จะสามารถบรรลุธรรมอย่างรวดเร็วถ้อยคำทำนองนี้ถ้าคนธรรมดาพูดอาจไม่กระไรนักแต่เมื่อคนระดับให้การศึกษาพุทธศาสตร์ชั้นสูงเป็นคนพูดและหลายคนน้ำหนักความน่าเชื่อถือจะมีมากและกระจายกว้างยิ่ง ทั้งมีการด้นเดาตามอําเภอใจกันอย่างสนุกสนานเช่นบางคนสมัครใจเชื่อว่าโลกนี้อาจไม่มีพระอรหันต์แล้วแต่ยังพอมีอริยะชั้นต้นๆอยู่บ้างแต่บางคนสมัครใจเชื่อว่าอริยะสูญสิ้นไปหมดแล้วไม่เหลือแม้แต่ผู้ทำภาวนาได้ตรงทางด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเลยกลายเป็นว่าใครหวังมักหวังผล หลังจากพุทธปรินิพานจะถูกมองเป็นพวกหวังสูงเกินตัวไปต้องหวังพบพระพักรพุทธองค์รับคําสอนจากท่านโดยตรงให้พระองค์ชี้ถูกชี้ผิดด้วยองค์ท่านเองเท่านั้นจึงมีสิทธิ์มีวาสนาพอแท้จริงน้อยคนจะรู้ว่าต่อให้เกิดทันพระพุทธเจ้าพกบุญญาวาสนาติดตัวไปเกิดมากพอจะเข้าเฝ้าพระองค์ท่านแล้ว ก็ไม่แน่ว่าจะรอดเสมอไป